เราก็สวดนเหเย็นกันบทสำคัญสำคัญหลายบทอยู่ท้ายสุดก็วดน้ำเหมือนก็เอาน้ำจิตน้ำใจความดีความงามบุญเผื่อแผ่ต่อต่อต่อตไปกดน้ำวันนี้เราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยวพาผู้ใหม่สอบถามมาก็มีอารมณ์ต่างๆเหมือนเหมือนกัน รู้สึกก็รู้สึกมันเหมือนกันนั่นแหละมีรูปแบบมีวิธีการสาหรับผู้ใหม่ก็ใช้รูปแบบการฝึกเดินโยมบ้างนั่งสร้างจัหว บ, บ้างโดยมีหลักการซึ่งพระเจ้าก็ได้ชี้เอาไว้เรื่องของสติปัฏฐานสี่ก็ให้ รู้เนื้อรู้ตัวมีสติรู้ตัวการเดินการนั่งการนอนการยืนก้าวไปข้างหน้าถอยมังหลังก็เรีย ว, ว่ญญาสมญบพะนะแล้วอีบุตรใหญ่สี่มายุเราวมีหลวงผู้เทียนถ้าบอกให้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนะึกคิด ใช้รูปแบบ14จังหวัดเราก็เดินจงกลมมีสิ่งที่เหมือนเหมือนกันเกิดขึ้นมาคือมันง่วงมีนิวรธรรมโรพล่ผุดขึ้นมาขวางหน้าขวางตาเหมือนเหมือนกันมีความปวดความเมื่อยนะเหมือนๆกันความคิดฟุ้งซ่านต่างๆเหมือนเหมือนกันความเบื่อก็เหมือนกันอีกเราก็เปลี่ยนมารู้สึกตัว ใช้เวลาถูซีอดทนเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใหม่ๆ ม, มีขันตีมีความอดทนเล้วต บ, บะนะนะต บ, บะ mm hmm. เคยได้ยินได้ฟังว่าฤาษีชีปลยสมัยก่อนหอได้ตัวเบานาตาเจอตบะแตกตกลงมา แตกความอดทนอดกั้นแตกก็เป็นอย่างอื่นไปสิ่งที่ทําก็ไม่สําเร็จเนี่ยเวลาเราไปเริ่มทำเราได้เห็นฝึกฝืนฝึกฝนมันเกิดขึ้นไหมฝืน ก, ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ฝนอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงหรือว่าเบาๆ บ, บางๆจางคลายหายไปแต่ารูปแบบการฝึกขัดในเห็นได้ชัดกวนจริงๆมันกวน เราเคยเดินไปไหนมาไหนเพราะว่าอยู่ในกรอบนิดนึงแสดงออกทันทีอาการของจิตอารมณ์ต่างๆหรือ่าความชิดการปรุงเราเห็นมันหลงเท่าไหร่ก็กลับมารู้สึกตัวไอ้คําว่าหลงหมายถึงว่าอาการต่างๆที่มันปรากฏมันเกิดขึ้นมาแล้วก็สติปรญญามันยังไม่ชัดเจนมันจะมีอาการหลุดหลุดหลงหลงไป แล้วกลับมาแล้วกลับมาอีกกาปฏิบัติรทำฝึกซ้ำๆทําซ้ำๆเห็นซ้ำๆจนชํานาญชนานาญในการผ่านชนานาญในการเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นตัวเองเห็นอาการต่างๆที่วันปรากฏขึ้นมาขณะต่อขณนะปรากฏการที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละขณะอันนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหา แต่ว่าอาการที่มันคิดปรุงแต่งช่วยลงไปอันนี้คือระนาของปัญหามจะเกิดขึ้นไหมโดยความที่เรารู้เท่าไถึงการหลักกรรมฐานการเคลื่อนไหวโดยจงกรมนั่งสร้างจังหวะเราฝึกหัดให้มันชำนาญที่จะรู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวจนพัฒนาจากหยาไปหาละเอียด หมายถึงความทุกข์ที่เป็นจากๆไป ห, หาอาการต่างๆความทุกข์ที่เป็นของละเอียดแล้วก็สติน้อยๆมันก็ม่องไวแล้วก็มีระนณะของความม่องไวที่มันมากขึ้นมากขึ้นค ร, รูได้มากขึ้นตัวเนี้ยเป็นอารมณ์ที่ละเอียดก็เรียกว่านิสัยอุปนิสัยหรือว่ากิเลสอุปกิเลสมันจะมีอยู่ซ่อนมันจะค่อยๆถูกกวนขึ้นมากวนขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเลย เราเาราก็อยู่เป็นชมชนเราก็ได้เห็นว่ามีความทุกข์ต่างๆปรากฏมากมายทุกกลทุกใจความทุกข์เนื่องจากจิตใจของเรามันไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางกับอาการที่กาลังปรากฏเข้าไวหลวงยึดคิดปรุงแต่งทุกครั้งที่เรารู้เนื้อรู้ตัวมันก็เรียกว่าฝึกปรับเปลี่ยนผ่อนคร บรรเท่าแก้ไขเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมาได้เคยเคยไม่รู้สึกมันก็รู้สึกขึ้นมาเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นป ร, รากฏการณ์ตรงนีมันเป็นป ร, กรากฏการณ์ของพูดปฏิบัติที่รู้สึกตัวเองต่อเนื่องจริงได้เห็นจนมันขยายให้ผลไปผูท้ที่เกิดจากการขวนขวาย ห, หาอยู่หากินอันนี้ก็อีกอัน ทุกจากโลคาพยาธิอันนี้ก็ด้วยเป็นภัยทดีเดียวเรียกว่าโลคาไพร์โลคาภัยโลคาพยาธิก็มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแก้ฉีดต้งอุทาผ่าตัดตาาการดุนแรงของโรคโดยหมอที่มีความชํานาญสูงมีประสบการณ์ก็รรักษาหายวินิจฉัยถูกต้องสมิธฐานของโรคโรคแม่นยํา ก็เลยเรียกว่าเป็นตัวแก้ซึ่งกันและกันอุัติภัยจลภัยหรือว่าบินาศภัยที่เราฝึกกันอยู่นี่และ ว, ว่าภัยวัตะสงสารภัยที่เกิดจากความคิดของเราที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ที่ยิบเลยเราก็เรียนรู้วิชาของพระพุทธเจ้าเจ้าได้กล่าวไว้ ผลทางเอกผลทางเดียวสุขการพ้นทุกก็คือสติปัฏฐานสี่เป็นมัจ ก, การเจริญสตินะคือมัจผลก็คือจิตทิมเป็นปกติออกมาจากอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ที่เราไม่ได้ดำริแล้วตั้งใจใส่ใจเบื้องต้นในการเคลื่อนไหวรู้สึกนี่มันเป็นอารมณ์ที่เราตั้งใจใส่ใจผลิตเรียกว่าอารมณ์รูปนามการเคลื่อนเนี่ยไปรู้จักสภาวะของรูปธรรมและนมามธรรม ความรู้สึกตัวน้อยๆสติน้อยๆก็ค่อยๆคมขึ้นจัดขึ้นความไม่เป็นกลางความไม่สมดุลเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ยุติธรรมก็ยุติธรรมมากขึ้นระหว่างกายกับใจของเราความรู้สึกตัวแล้วสติประฐานสี่จะเป็นตัวกลางๆเป็นตัวที่ไม่เข้ากับฝ่ายไหนเป็นตัวนําเลยการเรารู้มันจะเห็นอาการรู้ก็รู้หลงก็รู้น กุศลอกุศลมันก็รู้ถูกรู้หมดเลยตัวสติมันเป็นตัวกลางจริงๆบางทีเองก็เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเราทะเลาะกับตัวเองก็มีนะจิตสอนจิ ต, จตเราสอนจิตเราบางทีจิตเราไปสอนจิตคนอื่นก็ทะเลาะวิวาทได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆวิวาทะวิวาทะทะเลาะวิวาทก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งในโลกใบนี้ย กางทีการทำงานสองคนขึ้นไปกันมีการความเห็นไม่ตรงกันอันนี้เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะจำนี้เรื่องเล่าในในการแสดงธรรมในปฏิบอดเนียมันมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเออนายจุนทะออกบวชจนทางเป็นพระมาหาจุนทะจุนทะมาหาเถระเสร็จแล้วไปที่เมือง อะไรปาวาเนสะร็จแล้วไปเจอกับนิครนนาต บ, บุตรซึ่งเสียชีวิตพอดีเรากขอพระเจ้าสํานักเสียชีวิตนะสำนักชีเปลือยนะสำนักนี้สํานักชีเปลือยหนวดถึงเขา่าวเข้าถึงนมผมถึงตีนชีเปลนะือยเสร็จแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ทะเลาะกันจนต้องทุบตีกันหน่อจะกลับมาเข้าเฝ้า พระเจ้าได้เจอพระนนก็ปรึกษากันเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ไปกราบทูลถามโอ้สมเสมมดสามเณรเจ้ากาเออนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันเกิดจากเหตุอะไรพระเจ้าก็บอกว่ามันเกิดจากคนมีอุปากริยาก็คือมีความลบหลู่ครูบาอาจารย์นี่แหละนะการลบหลู่ครูบาอาจารย์กันตันนี ตันหนีโอวดมายาสาไถแล้วก็เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกวันวนเรียกว่าความโกรธหรือ ว, ว่าลบปล่ตันหนีอิชาลิชยาโอวดมายาสาไถมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพราะนั้นพระเจ้าเลยชี้ว่าตัวแก้ตัวแก้ก็คือให้ คิดด้วยเมตตาเวลาคิดถึงกันทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดก็ด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและก็รับหลังจะทําอะไรก็ตามก็ทำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังมัจ ะ, ะเป็นตัวที่ช่วยแล้วก็มีการแบ่งปันมันมีราบสกาละเกิดขึมม้นมาก็แบ่งปันให้ทั่วถึงชัดเจนเลยแล้วก็มีความเห็นร่วมกันมีความเห็นที่ตรงกันร่วมกัน ประชุมอยู่เนืองนิดมันก็เลยไปเรื่องที่ว่าเรากน็น้อมเข้ามาขณะปฏิบัติเราก็จะได้เห็นว่าวันนี้ที่ถามว่าใครปฏิบัติแล้วก็มีความสึกว่าเห็นหน้าตาลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าคัวลิศัตรูกลัวข้าพยาบาทโผล่ขึ้นมาคนที่เราไม่ชอบก็มีหลายคนก็ยกมือขึ้นถามว่าใครเห็นบ้างมันมีความคิด คนที่เรารักโผลขึ้นมาภาพคนที่รักโผลขึ้นมาหลายคนก็ยกมือขึ้นนั่นแหละคือมีค่าเท่ากันระหว่างคนรักกับคนชังอารมณ์ที่เพลินที่ชอบกับความเบื่อความเซ็งอารมณ์ที่เราไม่ชอบความง่วงเหงาหงานอนมันมีค่าเท่ากันก็คือเราก็สามารถที่จะมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเมื่อจะผ่านอารมณ์เหล่านี้แวกออกได้ทันทีเกินสู่สภาวะจิต กลับสู่ความเป็นปกติต่อไปอันนี้มันจะเป็นตัวผ่านอารมณ์ไฟบวกก็เรียกว่ากา ม, มาสุขาหรืการโยกภาษาพระเจ้านะภาษาอินเดียไฟเพลินก็เรียกว่ากา ม, มาสุขากายโยกไฟที่เราไม่ชอบไฟที่ทําให้ขัดอกขัดใจทำให้เรารู้สึกอึดอัดลำลำบากขัดแย้งกับตัวเองขัดแย้งกับรูปแบบปฏิบัติ ขัดแย้งกับสิ่งได้ยิงได้ฟังฟั ง, ฟงทำเพ่งโทษตัวเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าอัตตาคือมตฐานโยกอัตตาตัวตนนั่นเองเวลาเราปฏิบัติทำการเคลื่อนไหวรู้สึกการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเห็นกายของเราตามความเป็นยริงเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบแล้วก็พลิบตาหายใจพัดลมมากระทบลมมากระทบตัวเนี้อันนี้เป็นความรู้สึกตัวเหมือนกันเวลาหิวเวลากระหายอันนี้เป็นความรู้สึกตัวแต่มก็จะละเอียดลงไปนะ อันนี้จิตจะเป็นเวลามันเกิดขึ้นมาอาการวาบไวไปทางตาไปทางหูแล้วก็คิดปรุงแต่งต่อเป็นอารมณ์กลับมานี่อันนี้ก็เป็นอาการที่เรียกว่ารู้สึกตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตสติมันก็รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกเวลาเราไปวบาเราได้เห็นที่หลเทนท่านใช้การพูดประโยคสั้นๆว่า ให้เราเห็นกายในการเคลื่อนการไห ว, วแต่ลักษณะตั้งหัวจรดเท้าแล้วนะเราก็เห็นใจกันไลยมันคิดนึกปรุงแต่งเวลาไปคิดมันนึกมันปรุมันแต่งมันก็มีสติรู้รู้มันก็ปรับจิตปรับใจสู่สมดุลเรียกว่าปกติตรงนี้น 1, 2, นเราก็ปฏิบัติกันมาหนึ่งวันสองวันผู้ใหม่แล้วก็เก็บอารมณ์เข้มก็ปฏิบัติกันมาใกล้40วันแล้วเนนะเราก็ได้เห็นอาการต่างๆ ที่แสดงออกมาเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือว่าผู้ศาัทาได้ชี้เอาไว้ไม่ว่าเราวมัจะเห็นร่องรอยของบุญของบาปได้เห็นร่องรอยของกุศลเวลาเกิดขึ้นมาสแสดงออกมาหรือว่าอกุศลเกิดขึ้นมาร่องรอยขอความรู้สึกตัวหรือว่าร่องรอยของศีลสมาธิปัญญาหรือร่องรอยของทุกข์ที่มันแสดงออกมาปรากฏออกมา จนทั้งมันเห็นอาการต่างๆนั่งนานเดินนานยืนนานมันก็แสดงอาการออกมาเป็นความทุกข์ทุกข์กายหรือว่าจิตที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ความคิดเราไม่ได้ห้ามลองรอยประทับใจไม่วระับใจในอดีตพอเราปฏิบัติธรรมมันก็แสดงผุดเกิดขึ้นมาเราห้ามไม่ได้วินาทีต่อไปเราไม่สามารถทราบได้ว่า มันจะคิดเรื่องอะไรมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันถ้ามีสติรู้ทันแล้วก็ได้คำตอบอ๋อมันรู้ทันได้ทุกๆอาการทุกตอารมณ์ที่พากฏจะห้ามมันไม่ได้มันจะมีเหตุปัจจัยในการที่เกิดขึ้นมาพมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้พอมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผล แล้วเราสามารถสัมผัสได้ชัดเจนทีเดียอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพระเจ้าท่านจะชี้นําได้อย่างเดียวอย่างเราเคยได้ยินได้ฟังเคยอ่านว่าครั้งหนึ่งพระอสชนะิซึ่งบรรลุธรรมโดยพระเจ้าได้ตัดถึงอนันต า, นาตรักนักสตรที่เราสวยกับตอนเช้านะความเป็นทุกข์นะความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหนั้นนะ มันเป็นหมวดที่เรียกว่าอนันตารังสูตรที่ขยายความมาจากธรรมจักรวารสูตรทีนี้ อ, อาชชีเ น, นี่ยบรรลุธรรมหลังจากนั้นก็ไปออกบิณทบาทไปเจอกับพระสารีบุตรซึ่งช่วงนั้นชื่อโกลิตะนะโกลิตะเสร็จ แ, แล้วชื่อโกลิตะอุปติสสะมกลาสารีบุตรทีนี้เดินบาทอยู่พระสารีบุตรเนช่วงนั้นก็ยังไม่ได้บวชนะมองเห็น ทำไมพระชนะิถึงดูงดงามแล้วก็ดูสารวมระมัดระวังก็เกิดสะดุดตาขึ้นมาก็ไปขอฟังธรรมพระชีิก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เราบิดาบาดก่อนได้ไหมเพราะว่าเราเป็นผ้าบวชใหมให่ให้พูดมันก็พูดไม่ถนัดภาษาลีบวชวงนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอฟังธรรมที่เป็น สั้นๆแล้วก็ไม่ต้องยาวก็ได้แต่ขอให้มีสาระก็แล้วกันทีนี้พอได้พูดถึงลักษณะเหตุธรรมที่เกิดแต่เหตุแล้วก็ดับ ates, เ, ด เ, ดเหตุของการเหตุเกิดสาเหตุของธรรมเหล่านั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุแล้วก็ทรงบอกสายเหตุของการดับไปของธรรมเหล่านั้นก็เรียกว่าเหตุที่มันเกิดมาทั้งหลายทั้งปวงนะัถ้าสามารถดับเหตุได้ ผลของความทุกระดับไปไมันจะมีภาษาบาลีว่าอย่างนี้นะเหย่ทำมาเหตุตัวปวารเตสันเหตุตัถาคโตเจสันจาดลนโยโทจ่าเอวังวาทีมหาสมรโคเราก็อ้างอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในคัมภีร์กณการที่มีอยู่ในคัมภีร์เนี่ยเราก็ไปได้อ้างเฉยๆโดยที่มันไม่ผ่านระดําของการปฏิบัติเะงั้นการปฏิบัติเราเห็นว่าเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์นั้นมันเกิดจากความคิดไง คิดแล้วก็โลภที่แล้วก็กอดคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็วกปรุงแต่งต่างๆกนณีเหตุของการปรุงการแต่งเกิดจากไม่รู้สึกตัวถ้าเราจะดับเห็นเรื่องความตัวคือให้มีความรู้สึกตัวลงไปมีสติลงไปในตัวสติมันก็มีอะไรหลายๆตัวที่เป็นคุณธรรมต่างๆแต่สติจึงเป็นตัวขนส่งขนส่งคุณธรรมต่างๆแล้วก็มาประกอบกันหลายๆเหตุปัจจัยที่ทําให้เรา เ, าเกิดกําลังใจในการปฏิบัติธรรม เหตุปัจจัยของการมาอยู่ร่วมกันเป็นบรรยากาศของการเลียงเม็ดนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของออการสแสดงออกร่วมกันที่เหมือนกับว่านิมิตหมายของการละกันน่ะมันจะส่งให้เช่นบางทีเราเห็นเพื่อนเดินยงกลมแล้วก็ปกติอยู่การวางกายวางใจรู้สึกว่าเคลื่อนไม้เคลื่อนมือ่อดูราบรื่นจิตใจของเราจะพลอยราบรื่นไปด้วยเราสังเกตดู ด้ือว่าเวลาเราไม่มีสติเวลาอยู่ใกล้คนเย็นเราก็จะเย็นตามไปได้ด้วยนะมันก็เป็นอาการอย่างนั้นจริงๆหรือว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะพระทิตย์ขึ้นพตตนนระอาทิตย์ตกเนี้ยนะหรือบางทีเราอยู่กับการมองก้อนเมฆอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเกิดอาการจิตที่มันนุ่มนวลขึ้นไปก็เรียกว่าธรรมชาตินะมันหลายๆอย่างที่มันสอนเราทางตามันก็บอกเราทางหูก็บอกเรามันบอกมันสอนยเี้ จะหมูลิ้นกายใจมันก็บอกข้สอนเราก็ได้ประสบการณ์ตรง น, นหลายๆอย่างหลายๆเรื่องบางทีสติก็สอนกายของเราบางทีสติมันก็สอนจิตของเราหรือบางทีจิตมันก็สอนจิตของเราขณะปฏิบัติเราก็ได้เห็นอาการเหล่าเนี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้เนรู้ตัวนี่เองมีสติรู้กายไปเห็นอาการของกาย ที่มันมีอยู่ทว่วสรพางกายนะติมแสดงปรากฏอยู่ตลอดเวลาเวลเป็นธรรมชาติของกายอาการของจิตมันก็มีเหมือนกันธรรมชาติของจิตโดยเพราะว่าความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจเรานั้นมันเป็นอาการที่ชวนให้เราเหมือนกับว่าลืมเนื้อลืมตัวเก่งแต่ว่าถ้าเจตนาคิดอันนี้ไม่เป็นไรมีบางคนวันนี้มีการถามว่าเออแล้วก็มันสามารถที่จะนำมปใช้ ในหน้าที่การงานได้อย่างไรอย่างนี้นะที่ถามาชาวจีลังกาอันนี้ก็หมายถึงว่าเราฝึกปฏิบัติในรูปแบบให้ให้มีความเข้าใจซะก่อนไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําใจนะหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือนะหรือว่าเคลื่อนเนื้อเคลื่อนตัวเคลื่อนแขนเคลื่อนเท้าพวกนะี้มันเป็นการเคลื่อนอย่างเป็นธรรมชาติ มีสติรู้ความรู้สึกตัวอยู่ขณะเคลื่อนขณะเดินด้วยยืนนอนยกมือสิบสจังหวะในอย่างไรเสร็จแล้วพอก็ได้สัมผัสแล้วก็มีความเข้าใจอันนี้จะต่อยอดไปเองคือทั้งในสถานที่มันก็ออกไปนอกสถานที่ก็ได้ก็จะมีการฝึกหัดกันประเททีว่าในรูปแบบนอกรูปแบบเก็บตกอย่างวันนี้เราจะเห็นว่ามีการเคลื่อนมือสิบสจังหวะแล้วก็เดินจงกรม ขณะที่รับประทานอาหารก็บอกว่าให้รูรู้ความรู้สึกในขณะเคี้ยวแล้วก็เกลือนตรงนี้นการลิ้มรสหรือว่าการเข้าห้องน้ําการไปปฏิบัติจากอยู่ที่ไต่ถุนศาลาหรือบนศาลาแล้วก็เคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวมาเวลาเก็บที่นั่งถือขวดน้ําไปเอาน้ําดื่มน้ำตรงนี้แม้ทั่งขณะเวลา เราจะนอนก็ตามก่อนนอนให้มีสติเช่นอาจจะดูลมหายใจที่เขาหายใจเข้าหายใจออกของเขาเองนะแล้วก็รู้ท้องที่กระเพื่มท้องยุบการพองการยุบนะรู้สึกตัวหรือว่ากระดิกเท้าเล่นๆ เ, น เ, นเนบาๆเอามือเอานิ้วมากระทบกันเบาๆหรือว่านิ้วเคาะที่หน้าท้องหรือว่า ตรงไหนก็ได้ที่มีการเคลื่อนไหวโดยที่เราเจตนาเคลื่อนเบาๆหล่อเลี้ยงเอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วพอหลับไปแล้วก็แล้วไปเราก็ได้สังเกตเวลามีสติแล้วนอนหลับมันฝันเนี่ยมันก็เป็นความคิดพอมันมีความคิดปรากฏขึ้นมาสติเขก็รู้เท่ารู้ทันการที่สติเขารู้เท่ารู้ทันก็นั้นหมายถึงว่ามันก็ทําให้เราออกจากความคิดมันไม่ได้ฝันแล้วกเกิดการไหลไปตามความฝันะ จนเกิดการปรุงกันแต่งมากมายะมะก็สังเกตได้แล้วพอตื่นขึ้นมาก็เหมือนกันพอตื่นนอนเราก็จะได้เห็นว่าเออมันมีความรู้สึกตัวขณะนอนอยู่กระทบสัมผัสรู้สึกพิกไปพิกมาพอลุกขึ้นแล้วก็ดําำลินเจตนากําหนดลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเสร็จเราก็นั่นเป็นขั้นเป็นตอนการเคลื่อนการไหวพับที่นอนหมอนมุ้งหรือว่าเดินไปล้างหน้าแปรงฟันมันก็จะได้ทั้งวันปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นยันหลับ ผู้ใหม่ก็จะได้ฝึกได้หัดกระเด็มที่ผู้เก่าก็ตามเราได้เห็นความคิดแล้วเห็นความคิดอีกซ้ำๆรู้เท่าหรือว่ารู้ทันเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็ตามก็รู้เท่ารู้ทันไปทุกๆอารมณ์เราไม่ห้ามไม่เอามาเป็นความพอใจหรือไม่พอใจตลอดมันก็จะเป็นตัวความรู้สึกตัวเห็นกายเห็นวิญาณเห็นจิตเห็นธรรมมันเกิดที่ร่างกายของเรานี้ทั้งหมด จิตอาศัย ก, กายอยู่ประนั้นทุกครั้งที่มันเกิดอาการของจิตที่ว่างปล่าของการรู้สึกที่ตัวเนี่ยละ่ะหรือว่าความคิดเหมือนกันมันเป็นลนักษณะของอาการของจิตที่คิดแต่ความใช้ในสมองอยู่ความคิด ห, หรือบางทีเราเคยได้ยินได้ฟังว่าหลวงพ่อเทียนท่านฝึกสติแล้วก็หลังจากรู้สภาวะของรูปนามท่านรู้เรื่องรูปนามนะเดินไปเดินมา มีความสอุขความคิดมันผลักอยู่ด้านหลังอ่ะมันผลักอยู่แถวเอวทายความสุขใครผักอย่างเงี้ยนะทีนี้พอท่านเดินไปอีกเดินจงกรมเดินไปเดินกลับก็มีความสุขมีคนผักอีกเมื่อท่านสังเกตท่านหยุดแล้วก็สังเกตท่านก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นความคิดเธอตรงนั้นท่านแยบครายทันทีพอมันเกิดอาการขึ้นมาท่านก็ สังเกตท่านก็เห็นออกอมัคือตัวความคิดเหมือนก็คนผักข้างหลังอย่างนี้แล้วท่านก็รู้จักของอ๋อเนี่ยมันคือความคิดท่านก็ได้หลักของกรรมฐานท่านใจก็ว่าได้หลักที่จะดูความคิดเห็นความคิดการเนี่ยคิดร้อยครั้งจะเห็นมันร้อยครั้งใหม่ๆมันคิดร้อยครั้งมันจะเห็นห้าครั้งตอนหลังท่านพูดว่าท่านคิด ร้อยครั้งก็เห็นร้อยครั้งมันก็จะเหมือนกับหลุดหมดเนื้อหมดตัวไปก็คือมันจะเบลวิวออกมาทั้งวันอ่างนั้นแล้วท้ายสุดท่าก็บอกว่าเมื่อปฏิบัติถึงที่สุดในะียานย่อมมีเมื่อถึงที่สุดแล้วเนะยานย่อมมีแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าใครต้องคือสัจจากความจริงเท่างวันอย่างนั้นแต่เราปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรอะไรอย่างนั้นเราปฏิบแล้วเป็นอย่างไรอารมณ์ปฏิบัติ เราก็ต้องค่อยๆสังเกตที่ตัวเราว่าปฏิบัติแล้วมันผ่านอารมณ์อย่างไรตั้งแต่ตอนต้นๆก็คือปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆที่แก้ไม่ตกแล้มารูปล อ, อยของความคิดอย่างนี้นะแล้วก็สลัดเคลิ้นรู้แล้วรู้อีกรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกลับมาหาสัมผัสการเคลื่อนการไหวรู้สึกกระทบเป็นปัจจุบันมันก็จะออกความคิดออกมาจากความคิด ได้มากบ้างได้น้อยบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของการฝึกการหัดจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นอารมณ์ต่างๆก็ผ่านได้ง่ายขึ้นความระลึกสงสัยก็ลดลงไปใหม่ๆมาจจะมีความสงสัยมากบางคนบางท่านก็เคยฝึกนะยบหนอปองหน่อแล้วสัมมาละหังเคยฝึกวิธีการต่างๆมาเนะมันก็ตามมาอย่างเช่นมีคนถามมันนี้ว่า เวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความคิดเกิดขึ้นมามันเป็นละนาของพองยุบนะเวลาเดิ น, นมันจะมีพองยุบยุบหนอพองหนอที่เคยฝึกมาตามม า, ามาเขาบอกว่าอันนั้นก็คือความคิดแล้วก็คือความคิดที่เราเคยฝึกจนะทัางมันติดเป็นนิสัยพอมีนิสัยมันก็ตามมาเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจเขา S <S <an> เขาคิดก็รู้ว่าเขาคิดแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวอันนั้นไม่เป็นไรหรอกไอ้ตัวที่คิดอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเราอยากจะผลักออกไปไม่อยากที่จะคิดต่อไม่อยากจะให้มีคำบริกรรมโผล่ขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยก็คือแล้วนณะของตันหานั่นเองเป็นความอยากตัวง่วงนอนก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าไม่อยากง่วงอันนี้คือตัวปัญหาตัวเบื่อก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าไม่อยากบเบือ่อเนี้ยคือตัวปัญหาตัวไม่อยากนะ เพระนั้นให้รู้เฉยๆอารมณ์ะอะไรเกิดก็มาให้รู้เฉยๆบางทีมีสัตว์สาลาสิ่งภายนอกผ่านไปผ่านมาบางทีก็มีรถมีเสียงอย่างเช่นวันนี้ถ้าใครอยู่จุดนี้ น, นะจะมีเสียงก็เจาคอนกรีตดังมาแต่ว่าเราก็จะฟังแล้วก็ไม่ได้คิดปรุงแต่งต่อเพราะว่าจิตของเรามันจำพัดรู้ความรู้สึกตัวอยู่เมื่อเรามีความรู้สึกตัวทวารต่างๆก็ถูกปิดมันไม่ได้เปิดรับเต็มที่ ฟังก็รู้อยู่แต่มันไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงเพราะว่าจิตมันมีสติรู้สึกตัวอยู่การเคลื่อนกันไหวแต่ละขณะก็ช่วยเราอยู่อันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็ปลอดภัยทีเดียวปลอดภัยแล้วน่ะที่ว่ามันเคยหลุดหลงไปเผลอไปตามมาลงนี้มันก็มีเหมือนกับว่ามีหลักหลักของกรรมฐานกายเคลื่อนไหวใจรู้กายทําอะไรใจทําด้วยเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวมันก็จะเป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นของเราต่อไปจนกระทั่งมันขยายผล ออกไปถึงนอกสถานที่เหมือนกับหลวงพ่อท่านบอกว่ามาสุกโตนะก็หมายถึงว่ามาดีไปดีไปก็ไปดีที่อยู่ก็ฝึกตัวกันต่อไปเวลาท่านพูดถึงประโยคน์เนี่ท่านจะหัวร้อนในลําคอด้วยไนหะก็หมายถึงว่าสุกโตไปแล้วด้วยดีทีฝึกตัวเองดีแล้วก็ไปที่มาอยู่ก็ที่ที่ที่มาอยู่ก็ดีนะแต่ที่อยู่แล้วก็ฝึกตัวเองกันต่อไป เราก็ทาก่านกบหัวเราะเดินในลำคอนะก็หมายถึงที่อยู่เราก็อยู่ือฝึกตัวเองกันเราเป็นบรรยากาศของการเรมิตระนะที่มาร่วมกันฝึกหัดจริงๆเหมือนกับที่เราฝึกกับวันนี้ทั้งวันขนาดหมายถึงว่าเรากาลังฝึกตนสอนตนเพื่อให้เราได้มีความเข้าอกเข้าใจหรือว่าได้สัมผัสทำตามสมควรแก่การปฏิบัติอะไรที่มันควนรรู้ควรเห็น ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้ไว้เป็นร่องเป็นรอยเราก็ทำตามตังเช่นเมื่อเช้าหลวงพ่อท่านบอกถึงภาวะของผู้ดูผู้ดูให้มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์วนี้เมื่อเราฟังล้วก็มันกออ็น้องเข้ามาใส่ตัวท่านพูดถึงว่าให้ทำกรรมฐานกันให้เต็มที่โดยเพราะกําฐานแบบการเคลื่อนการไวหวหลวงปู่เทียนให้ทา อย่างเต็มที่เลยเรียกว่าทําอะไรก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวในนอกในรูปแบบหรือว่านอกรูปแบบก็เป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดจะดูกายก็เป็นความรู้สึกตัวหรือว่าเวทนาปรากฏก็เป็นความรู้สึกตัวจิตเวลาก็มีอาการมีอารมณ์เวลาคิดในดวงแต่งก็รู้สึกตัวหรือว่าสภาพธรรมต่างๆมากระทบนีทั้งภายนอกภายในก็รู้สึกตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จบด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเรื่องของสติ ที่เปนร่องว้อย่างกลางหรือว่อย่างหยาบอย่างละเอียดนะเป็นเรื่องของใครของเราที่เราจะต้องสังเกตแล้วกลับมาใชนะ้รูปแบบปฏิบัติหรือว่าใช้รูปแบบของกรรมฐานในการปฏิบัติเพื่อให้มันก็มีการสัมผัสแล้วก็มีการแตกชานขึ้นมาจริงๆท้ายสุดก็จะหายสงสัยนะมาล้เห็นว่าพวดมาสมควรแก่เวลานะ ก็พยายามพูดให้อยู่ในอารมณ์ปฏิบัติวันนี้พร้อมทั้งเทียบเคียงจากสิ่งที่เคยอ่านเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างจากพระไตรปิฎกเลยน้อยเพ่ให้ดูมันสมดุลนะนะและเป็นความสมบูรณ์ว่าเดี๋ยวคนที่เขาเชื่อพระไตรปิฎกก็จะว่าเราได้หรือว่าคนที่เชื่อการปฏิบัติเขาก็จะว่าเราได้ไม่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติี้แต่ว่า ถ้าใครนะมีสภาวธรรมปนะ่ากฎแล้วเนะี่ยเขก็จะมีความมั่นใจในการปฏิบัตนะิซึ่งอันนี้ก็นั่นหมายถึงว่าเราก็จะได้อยู่กันอย่างนสนิทสนุกสัยภาพต่อไปนะแล้วก็ขอให้นะวันนีนะ้เป็นวันของเราก็คือเป็นวันที่เรากําลังก้าวเดินนะหรือว่ากําลังเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางก็ตามได้ยินบางคนก็บอกว่าเขาเดินใกลถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนะี่ยก็ขอให้ได้เข้าถึงนะนะที่สุดแห่งกองทุกข์ ในวัชนชาตินี้เนื้อเกิดเนื้อแก่แนะเจ็บเนื้อตายได้ทัวะกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเถิน